ก็ส่งสรุปลงท้ายด้วยสังข awa ตุสีนี้อัจฉกิาบางแห่งจำกัดความคำว่าราชาว่าผู้ยังประชาชนให้ยินดีด้วยสังข a วัตุสี่และว่าสังข a วัตุเป็นพรหมจรรย์เพราะเป็นความประพฤติประเสริฐสังข a วัตุข้อสุดท้ายคือสมานตตต า, ตามักมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายอยู่บ้างเพราะบางแห่งแปลไม่เหมือนกัน